ครั้งนั้นพกาพรมเกิดความเห็นผิดขึ้นว่านี้เทียงยั่งยืนไม่เกิดไม่ตายไม่ตายไม่เคลื่อนไม่อุบัตหมายถึงการเกิดไม่มีความหลุดพ้นอื่นที่ยิ่งกว่านี้พระองค์จึงเสด็จไปปรากฏในพรหมโลกพกาพรมเห็นก็ทูลเชิญและแสดงทิฏฐิความเห็นของตนในเรื่องเที่ยงพระองค์ตรัสตอบว่า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 ดูก่อนมานมีบาปเรารู้จักท่านท่านอย่าสําคัญว่าเราไม่รู้ท่านไม่มุ่งประโยชน์แก่เราจึงกล่าวอย่างนี้ท่านคิดว่าพระสมณะโคดมแสดงธรรมแก่ใครผู้นั้นจะผลอํานาจแห่งเราสมณะพราหมณ์ที่กล่าวถึงเหล่านั้นไม่ได้ตรัสรู้เองโดยชอบแต่ปฏิญาณตนว่าตรัสรู้เองโดยชอบส่วนตัวเรา